ขันห้าคืออะไรขันห้าขันห้าไม่ใช่ขันห้าขันนะขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้พอเราไม่คุณภาษาอย่างนี้เราจะเกิดอะไรขึ้นรูปพอรู้จักนะรูปบางทีก็้ว่าเอาก็รูปถ่ายอะโื้อนะรูปถ่ายอะรูป บางคนว่าอย่างนั้นเมื่อก่อนนึกถึงสมัยปฏิบัติธรรมใหม่ๆรูปถ่ายมันจะเกี่ยวอะไรกับรูปกับรูปรูปเวทนาคืออะไรเนี่ยเวทนาคืออะไรไม่รู้เวทนาคืออะไ ร, ไ ร, ไรสัญญาสัญญาก็จะเข้าใจอะไรน่นไปสัญญากับคนโน่นไปสัญญากับคนนี้นไปสัญญ า, นนญญาทางกฎหมายสัญญาทางบ้านเมืองสัญญาอันนั้นอันนี้เวลาวันนั้นวันนั้นจะไปทําอันนั้นวันนี้จะไปทําอันนี้ผิดสัญญา สัญญาสังขารน่ะอืสังขารถ้าเราไม่รู้เลยแล้วนั้นคิดว่าอะไรสังขารดิถ้าคิดถึงคนที่ไม่รู้ธรรมะเลยเนี่ยจะคิดว่าอะไรสังขารเนี่ยจะคิดว่าอะไรคนที่ไม่เคยฟังธรรมเลยไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยพขาจะคิดสังขารเนี่ยจะคิดยังไงอันนี้นคนธรรมะฝึกธรรมะแล้วฟังธรรมะแล้วสังขารแล้ววิญญาณโน้นวิญญาณอินดักเลยเป็น เป็นศพล่องรอยเออลองเออลองไปโน่เลยวิญญาณเนะี่ยตายแล้วล่องรอยไปนน่นไปนี่ไปเกิดไปนั่นที่นน่นที่ น, น, นี่ไปหลอกคนโน้นคนนี้วิญญาณภาษ า, าที่เราเข้าใจวิญญาณโอ้ไปเจอผีที่นั่นผีที่นี่ผีที่โน่นวิญญาณวิญญาณของเรานะเข้าใจดูสิภาษาที่เราเข้าใจกับภาษาที่ที่นั่นนะสังขารนิยมมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคืออะไร ในในนึกภาพองสังขารคืออะไรปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งการปรุงแต่งเอว่าปรุงแต่งปรุงแต่งเขาอะไรปรุงแต่งนี่ก็ปรุงแต่งกับข้าวขึ้นมากินปรุงแต่งเสื้อผ้ามาใส่ปรุงแต่งก็แต่งหน้าแต่งตาแต่งเนี่ยแต่งตัว ถ้าเราเข้าใจจริงๆไอ้ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามภาษาที่เราเข้าใจก็คือให้เข้าใจ ง, าง่ายๆกายกับใจสองเรื่อง <c ười> รูปก็คือร่างกายนี่แหละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคืออาการทั้งใจอาการสองเรื่องนี่แหละมันจะมาอยู่สองเรื่องเรื่องกายกับเรื่องใจ น, นะรูปก็คือเรื่องร่างกายหัวจุดเท้าเท้าจุดหัวนี้ คือร่างกายคือรูปนรูปก็แตกกับไปหญิงแตกกับไปหญิรูปท้งตารูปทั้งหูรูปทั้งจมูกรูปทางลิ้นรูปทางกายรูปของเสียงรูปของกลิ่นรูปของรสรูปของผัสสะเนี่ยเมื่อก่อนนีไปคิดเรื่องรูปนามเนี่ย กายนี่คือรูปชัดๆแล้วแหละแล้วเสียงมันไม่มีรูปมันเป็นนามมันเป็นเป็นรูปก็ไม่คิดเนี่ยเสียงเเสียงนี่มันเป็นมันน่าจะเป็นนามนะเพราะมันไม่มีรูปเนี่ยอเออกลิ่นนี่แหละเอ้มันเป็นนามนะมันไม่มีรูปแต่ถ้ารูปคือร่างกายเนี่ยมันมีรูปเห็นชัดๆอยู่เออรถนี่เออรถนี่มันพอพอได้อยู่มันมีรถมนมีรูป แล้วภาษาที่เกิดขึ้นละ่ะอาการเย็นร้อนอ่อนแข็งเยอย่างอาการเคลื่อนไหวบ้างอาการเจ็บนั่นเจ็บนี้เออมันไม่มีรูปนี่นคงเป็นนา ม, มั้งไปตีเรื่องรูปเรื่องนามมั่วไปหมดเลย<ม>เขาบอกว่ารูปรูปรปนามแล้วมันจะดีอ่ะเราก็เลยอยากรู้อ่ะคิดหาเลคิดให้มันเห็นรูปเห็นนามโอ้ตายเลยฟุ้งซ่านกระเจิงเลย ฉะนั้นเวลาเราเรารู้นะคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มของนามไม่ใช่นะโทษทีเป็นกลุ่มของรูปเนีเป็นกลุ่มของรูปเลยแหละยกเว้นธทำมารมณ์ที่เกิดกับใจทำมารมณ์ตัวเดียวที่เกิดกับใจนี่เป็นฝ่ายของนามทำอารมณ์เช่นอาการนึกคิดอาการพอใจไม่พอใจอาการโกรธอาการรักอาการชังอะไรก็ได้นะ เป็นเป็นอาการของนามและตัวรู้ก็เป็นอาการของนามอาการของนามนามกับนามมันจึงรู้กันได้จะเอาไปนามไปรู้นะั้ไม่ได้นะก็ต้องแบ่งแบ่งเป็นสองกลุ่มขันห้าก็แบ่งเหลือ2กลุ่มกลุ่มรูป ก, กับกลุ่มนามเช่นเขาเรียกว่าจากรูปเนี่ยมันก็จะมีขยายออกไปเป็นธาตุสอะไรก็ว่ากันไปเรื่อยเปื่อย เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสร้างรูปขึ้นมาสร้างรูปสร้างนาขึ้นมาดินน้ำลมไฟไปจะสร้างพวกประกอบเป็นองค์ประกอบของรูปขึ้นมาในรูปต่างๆอากาศาธาตุวิญญาณธาตุมันมีธาตุห้นะทั้งหมดใช่ไหมหกใช่ไหม <5. S 1> อะไรอีกอันหนึ่ง <5. S 1> เออเออก็มันสี่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเออเราดับผ่าตกเลขก็ ว่มีอากาศสัทธาวิญญาณธาตุอากาศธาตธากับวิญญาณธาตุเนี่ยอากาศสัทธานี่มันยังเป็นเป็นรูปอยู่วิญญาณธาตุเนี่ยจะเป็นนามนะอากาศสาทธ์คือความว่างความว่างในอากาศสัทธ์ฉะนี้ก็จะจะบวกไปอย่างเงี้ยลักษณะของรูปนะธาตุสดินน้ำลมไฟอากาศสัทธาวิญญาณธาตุอากาศสัทธคือความว่างช่องว่างนะอากาศสัทธ์กับลมนี่เดียวกันไหม ลมอากาศนี่เดียวกันไหมอะใช่ลมนี่ยังยังไม่ใช่ช่องว่างนะทําไมร่างกายเรามีช่องว่างใช่ไหมมันจึงมีลมเข้าไปได้ใช่ป่ะเนี่ยอะความว่างของร่างกายเนี่ยช่องว่างของร่างกายแล้วก็มีลมเข้าไปได้เนี่ยเหมือนกับขวดใบหนึ่งถ้าไม่มีไม่มีช่องว่างอยู่ลมจะเข้าไปได้ไหมน้ําจะเข้าไปได้ไหมเพราะมันมีช่องว่างไมันจึงมีก็เรียกอากาศสัทธาคืช่องว่าง ช่องว่างมันจะคอยจะเติมสิ่งตรงนี้ไปได้เออมันก็คิดได้เหมือนกันฮะอดไวพูดมามบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจแล้วอยู่ๆมันก็ขึ้นมาเองว่าเอออย่างนี้อย่างนี้แต่ไม่รู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะไปดูเอาเองก็แล้วกันเนี่ยอากาศธาตุวิญญาณธาตุเนี่ยคือส่วนนามเป็นส่วนที่ใช้เป็นการรับรู้เมื่อธาตุสีธาตุสี ชาติห้าห้าอย่างมารวมตัวกันเสร็จแล้วก็จะมีวิญญาณธาตุเกิดขึ้นมาอุปมาเหมือนมันมีไฟเกิดจากที่ไหนระหว่างกล่องไม่ขีดกับหัวไม่ขีดฮะเกิดจากกล่องไม่ขีดหรือเกิดจากหัวไม่ขีดใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ ก, กล่องไม่ขีดมันก็ไม่ใช่กันแหละอ่า มันมีเหตุปัจจัยเหมาะสมของมันในการที่จะทําให้เกิดไฟแต่ไฟนี่เป็นประสิ่งที่สสิ่งที่สมเกิดขึ้นมาจากมันแต่ไม่ใช่ตัวมันถ้าเราเราสังเกตดูนะถ้าไปจับหัวไม่ฉีดมันร้อนไหมจับคองไม่ขีดมันร้อนไหมไม่ร้อนแต่ถ้าไฟมันเกิดขึ้นมามันร้อนไหมนี่ลักษณะของมันก็ละเรืองกันเลยชั้นใดกันมือนกันเมื่อธาตุทั้งสี่ ถาตั้ง5้ามาผสมกันหมดเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แล้วก็จะมีธาตุที่หคือวิญญาณธาตุเกิดขึ้นฉะนั้นวิญญาณธาตุไม่ใช่ผีร่องรอยนะไอ้ที่ร่องลอยนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งความเชื่อว่ากันไปใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกอันนั้นไ ม, ไม่ไม่รู้เพราะมันไม่มีเหตุ <laughs> ถ้ามีเห ต, กเหตกรรุก็คงใช่ถ้ามีเหตุมีวิบากกรรมก็คงใช่เพราะทุกอย่างที่เจ้าตัดว่ามันเกิดจากเหตุอันนี้นะเขาเรียกว่าแล้วเราแบ่งไป เราแบ่งไปจะเป็น2กลุ่มเท่านั้นแหละกลุ่มรูป ก, กับกลุ่มนามกลุ่มกายกับกลุ่มใจนีขันห้าอย่างเงี้ยง่ายๆทีนี้เวทนาเนี่ยเวทนานี่อยากให้เรียนรู้กันสักนิดนึงเวทนาที่เราสวดไปวันก่อนจำได้ไหมไม่ลืมหมดแล้วเวทนามีกี่อันเวทนามีเท่าไหร่เวทนาเวทนามีเก้า เวทนามีอยู่สามสามสามเป็นเก้าหนึ่งสองสามไม่ทุกไม่สุขเป็นยังไงอ่ะใช่ไหมมันจะมีสุขเวทนาทุกเวทนาไม่สุขไม่ทุกก็เวทนาแล้วมันเจ็บเกี่ยวกับการเจ็บการปวดไหมเนี่ยฉันนั่งปวดขา จนหายปวดขาจนเดินปวดขาจนหายปวดขามันเกี่ยวกับไอ้ไอ้สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ไหมไม่ใช่มันเกี่ยวกันให้มันเกี่ยวกันก็ได้แต่ถ้าเราไม่ปวดขา่ะเราไม่ปวดขาไม่เป็นไรเราจะมีเวทนาอยู่ไหมอ่ามันไม่เกี่ยวกันนี่นี่เราไม่ได้ปวดได้อะไรเลยแล้วก็มีสุขของเราอยู่เราก็มีทุกข์ของเราอยู่แล้วก็มีไม่สุขไม่ทุกข์มันอยู่มันแสดงคนละตัวกันนี่ ไม่ใช่ตัวเดียวกันเนี่ยแต่เราไปผสมกันเวลาฉันเจ็บขาฉันก็รู้สึกมันทุกข์มันมันทุกข์ใช่ไหมทุกข์เจ็บขาเดินจงกรมมากๆเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวรู้สึกว่ามันทุกข์เรารู้สึกว่านั่นคือเวทนาใช่ไหมทุกข์ทรมานกับมันเลยแต่จริงๆไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องของกายแต่เราเอาใจอ่ะไปบวกมันก็เลยทุกข์อ้าว พอเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปมันหลุดไปมันหายไปโล่งไปโอ้ยสบายใจมีความสุขไอ้สบายใจแล้วมีความสุขนี้มันเกี่ยวกับไอ้การความเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวหายไปไหมมันไม่เกี่ยวนะแต่เราเอาไปเกี่ยวกันเพราะว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วฉันรู้สึกฉันมีความสุขนั่นแล้วฉันก็คิดว่าฉันชนะเวทนาฉันผ่านเวทนา มันผ่านไม่น่ะมันติดทั้งเวทนาทั้งสองตัวเลยเวทนาทั้งทุกขเวทนาก็ติดพอมันหลุดมันหายมันโลกก็ไปติดสุขเวทนาอีกมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะกับร่างกายอแต่คนส่วนใหญ่จะไปเนี่ยเข้าใจผิดกันมากๆเลยคนส่วนใหญ่จะไปเอาเนี่ยอาการทางกายอมาเป็นเวทนาทางใจผสมกันมั่วเลยใี่ไหมเบางคนวันนี้ฉันทําผ่านมันได้ฉันแน่ฉันแน่ แต่เดี๋ยอีกวันหนึ่งฉันทำไปโอ้โหวันนี้ไม่ผ่านฉันแย่เนี่ยวันนี้ไม่ผ่านเลยไม่ไหวเลยม่วงของง่วงปวดก็ปวดเมื่อยเกาเมื่อยเมื่อวานมันดีไป่ม่วงไม่ปวดเมื่อยมันหายไปได้หมดแล้ววันนี้ทําไมโอ้โหมันหนักมันปวดมันเมื่อยมันฟู้มันซ่านมันมาเต็มไปหมดเลยนึกว่ากเมื่อวานมันจะดีวันบางทีเรามันดีเมื่อวานนึกว่าวันนี้มันจะดีต่อมันจะท้ายดีแตกดีแตกเลยนะ หาอยู่นั่นเนี่ยเนี่ยมันไม่รู้จักเวทนาและเวทนาที่มี3ตัวนั่นคือแบ่งเป็น3ามกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือเวทนาที่เกิดขึ้นจากการตัวเวทนาคือตัวสุขตัวทุกข์ตัวไม่สุขไม่ทุกข์นี่คือตัวเวทนาโดยตรงแล้วก็จะตัวที่1คือเวทนาที่เจืออามิตรนี่เจืออามิตรรู้จักไหมอามิต h คืออะไรสิ่งที่ไปกระตุ้น ให้เกิดเวทนาอามิตคือสิ่งที่ไปกระตุ้นให้เกิดเวทนาคืออะไรมันไม่หนีไปไหนหรอกมันอยู่เนี่ยโผล่จุดเ ท, ท, ท้านจะุาเจ้าจดหูเนี่ยมันเวียนอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้แหละเป็นตัวที่จะไปกระตุ้นละ่ะกระตุ้นให้ตัวเวทนาทั้งสามตัวทางานแต่มันไม่ใช่ตัวเวทนา แต่เป็นตัวกระตุ้นให้เวทนาเกิดใช่ไหมเวลาเอาง่ายงเวลาตาเราเห็นรูปเนี่ยเห็นรูปที่สวยเวทนาอะไรเกิดขึ้นสุขเวทนาเกิดขึ้นใช่ไหมเวลาเห็นรูปไม่สวยขึ้นเห็นโอ้เห็นความสกปรกเห็นความเหม่นเห็นความเน่าเห็นความขยะเห็นขยะเยอะแยะเห็นความเห็นรูปต่างๆที่มีสวยอะไรเกิดขึ้นทุกเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยนั่นตัวรูปเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นตัวความรู้สึกสุข กรตุน้นความรู้สึกทุกข์หรือเห็นบางอย่างเนี่ยคนเนี่ยมันธรรมดาธรรมดาเห็นอย่างเงี้ย <c ười> มันกระตุ้นไรขึร้นมาก็ตุ้นความรู้สึกเนี่ยก็ธรรมดาไม่สุขไม่ทุกข์กันเห็นมันเฉยเฉยเนี่ยตัวกระตุ้นเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยกระตุ้นทั้งตามันก็จะเกิดความรู้สึกสามอย่างนี้ขึ้นมากระตุ้นทั้งหูเหมือนกันใช่ไหม ฟังเสียงชมฟังเสียงเยนยอฟังเสียงสรรเสริญฟังเสียงพระนาคุณความดีรู้สึกเป็นยังไงใจฟู <c ười> ถ้าเจอเสียงดา่าเสียงแช่งเสียงนินทาเป็นยังไงใจแฟง <c ười> ถ้าฟังเสียงธรรมดาธรรมดาคุยกันธรรมด า, ปาเป็นยังไงเออกรธรรมดาไม่มีความรู้สึกที่จะรู้สึกอะไรรู้สึกธรรมดาไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยเสียงทั้งหลายมันก็จะมากระตุน้นสภาวะของเวทานา3าตัวนี้เกิดก็เรียกเจือาอามิตร สิ่งกระตุน้นกลิ่นรสผัสสะทางกายเหมือนกันหมดบอกแล้วมันไม่เป็นไหนเรเรียนอยู่หัจดเท้าเท้าจุดหัวนี่แหละพระเจ้าท่านไม่สอนไปไหนหรอกสอนอยู่แค่นี้แหละฟว้างศอกยาววานาะคืบเดี๋ยเรียนก็นอยู่ในนี่แหละเรียนแค่นี้เรียนจะไม่ไจบแล้วเรียนไปมั่วไปฉั <laughs> ้นเป็นอย่างนี้นะแล้วมันก็เลยอีกกลุ่มหนึ่งคือเวลามันเกิดภาวะที่มันเกิดแบบ ไม่มีไม่ม่ไม่มีสิ่งกระตุ้นไม่เชียอามิตรเนี่ยไม่มีสิ่งมากระตุ้นแต่มันเป็นก็มันเองมันมีบางครั้งที่ไม่มีอะไรกระตุ้นขึ้นมาเออไม่มีอะไรกระตุ้นขึ้นมาก็มีความสุขของมันเองมันบางทงมันมีสภาพแวดล้อมที่บางทีไม่มีใครยุ่งกับเราเราเอาง่ายๆแล้วกันเราไม่มีใครยุ่งกับเราอยู่อยู่คนเดียวเราอ่ะเอาง่ายทีกว่าถ้าพูดไปละเอียดมันจะไม่เข้าใจเวลาเราอยู่คนเดียวอะไม่ได้ไปไหนมาไหนจะอยู่คนเดียวอะ วุ่นวายกับตัวเองไหมเนี่ยก็เนี่ยก็งุนกิจกับตัวเองเดี๋ยวก็พอใจกับตัวเองเนี่ยก็สับสนกับตัวเองเดี๋ยวก็เฉยเยกับตัวเองอ่ะใช่ไหมมันไม่ได้ไปสนใจรูปไม่ได้สนใจเสียงเหมือนตอนเนี้ยลองดูสิเราไม่มีอะไรมากระตุ้นดูที่เราวุ่นวายกับตัวเองไหมวุ่นวายกับตัวเองรูปเสียงกินรสสัมผัสไม่ได้มากระตุ้นกับเราเลยไม่มีใครมาจูงเลยเดินจงกรมสร้างจังหววุ่นวายกับตัวเองอยู่เนี่ยนี่คืออะไรลักษณะของเวทนาที่ไม่เชี่อามิตร มันมีอยู่มันวุ่นวายเดี๋ยวสุขกับสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวทุกบ้างเดี๋ยววุ่นวายอะไรสารพัดเอาแค่นี้ก่อนถ้ายุรู้ไปละเอียดเดี๋ยวมันจะฟุง้งซ่านเอาที่มันพอรู้ได้เนี่ยอันนี้เรื่องการเข้าเวทนาสุขไปแล้วแล้วเราทําไงเราจะจะออกมันได้อาถูกต้องนะ <c oughs> ถ้าเราไม่รู้เราเข้าไปแต่สุขเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้แล้ว ร, รู้ยังไง สอบตกต้องรู้มันเกิดรู้มันหายรู้มันเกิดรู้มันหายรู้มันเกิดมันหายมันจึงจะรู้เฉยเฉยได้ถ้าหัดไปรู้เฉยเฉกับมันอ่ะโอ้ฉันสุขแทบตายจะให้รู้เฉยเฉยมันเป็นไปไม่ได้อ่ะฉันทุกข์อยู่เนี่ยจะให้ไปรู้เฉยเฉยกับมันอ่ะเป็นไปไม่ได้อ่ะฉันจะต้องจัดการบางสิ่งบางอย่างกับมันใช่ไหมแต่ถ้ารู้ภาวะของความสุขเกิดอ้ามันก็ะดับไปแล้วนี่ว่า ความทุกข์เกิดว่าก็ดับไปแล้วนี่หว่ามันจะรู้อย่างเงี้ยมันจะเฉยเฉยได้หัดเห็นภาวะพวกนี้เกิดหายเกิดหายเกิดหายบ่อยๆแล้วใจมันจะรู้จักเหมือนกับว่าใจมันจะจักสุขแล้วเราต้องไปทําตามความสุขนั้นความสุขนั้นมันจะจะหายจากเราไปใช่ไหมมันรู้อย่างนี้อ่ทถ้ามันสุขล่ะแล้วฉันไม่ไปตามตามความสุขนั้นไม่เอากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไปตามตามมันมันก็หายไปผลสุดท้ายมันจะได้คํำตอบว่า แล้วฉันจะไปเหนื่อยทําไมฉันจะไปเหนื่อยกับมันทําไมฉันเหนื่อยกับมันแทบตายพยายามกับมันแทบตายแต่มันก็หายอันนต้จงตรงข้ามเวลามันทุกข์ขึ้นมาปุ๊บโอ้ยฉันทุกข์อันนมันทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยทุกข์สารพัดเรื่องทํายังไงยังไงมันก็ไม่หายมาทุกข์อยู่นั่นแหละนี่ยไปทําแทบเป็นแทบตายแทบเป็นแทบตายพอมันยังไม่หมดเหตุปัจจัยก็มันมันก็จะไม่หายมันก็เป็นอยู่เอ้าทนทนไป ทนทนไปก็หายที น, นี้พอไม่เห็นความทุกข์มันเกิดแล้วหายบ่ไปๆก็เอ้าแล้วเราจะไปเหนื่อยวุ่นวายอะไรกับมันยังไงกับการดิ้นรนที่จะนีกับมันหนีก็หนีไม่ได้ใช่ไหมจะหนีได้หนีก็หนีไม่ได้อะทําอะไรก็ทํำไม่ได้ก็ดูมันเฉยๆอะรู้มันเฉยๆเอามันมาแล้วนะมันไปแล้วนะโพราะท้ายไอ้ตัวรู้ที่รู้เฉยๆเราแยกตัวเองออกมาจากสภาวะพวกนี้สภาวะพวกนี้เหลืออยู่แต่ตัวรู้สึกตัว ภาวะของผู้รู้ที่มันรู้เกิดรู้หายรู้กุศอะไรมันจะวางเฉยมันวางเฉยได้เพราะมันเข้าใจอย่างนี้ก่อนไม่ใช่เฉยแบบซื่อบื้อจะให้มันเฉยทีเดียวไปไปไม่ได้หรอกคุณยุ่งมันมาตงตลอดชีวิตน่ะอยู่ๆคุณจะให้มันเฉยเลยเน่ยโอ้โหมันเป็นไปไม่ได้อคุณคุณวุ่นกับมันมาตลอดชีวิตเนี่ยอยู่ๆคุณจะมาให้ฉันฝึกรู้เฉยอ คุณก็เป็นอรหันต์ตั้งแต่ท่านแล้วล่ะคุณไม่ต้องเป็นเป็นตั้งแต่คุณยังไม่ได้ปฏิบัติแล้วล่ะเพราะเพเนี้ยคุณก็หัดไม่ใช่หัดรู้การเกิดการหายการเกิดการหายเดี๋ยวสภาวะใจมันจะรู้สึกเลโอ๊ยอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าไม่ต้องไปยุ่งไอ้เฉยแบบนี้แหละแบเฉยแบบไม่ซื่อบือ้อไอ้เฉยแบบนั้นนะ่ะเดี๋ยวมันก็ไปเอาอีกแหละไม่เอาเรื่องนี้ก็เอาเรื่องนูน้น ไปเอาเวทนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่นั่นเนี่ยไม่จบนี่เวทนาเวทนานสัญญาสัญญาต้องพูดไหมสัญญาก็จำนันแหละไม่ใช่เป็นสัญญาซื้อที่ดินสัญญากู้เงินกู้สัญญาอะไรทั้งนั้นแหละสัญญาคือจำจำโน่นจานี่จำนั่นก็หัดให้สัญญานะ่ยมันจาภาวะของ รู้สึกตัวสิทำจําำภาวะของผู้รู้เอาไวส้สิมันจะไเป็นสัญญาที่ที่เป็นประโยชน์นี่ไปจําอะไรเขาด่าก็เรามาสิบปียังจําไม่เลิกเนโอ้โหก็ทําดีเรามาจะสิบถ้าเราทําดีมาแค่กับเราครั้งเดียวโอ้โหนึกถึงบุญคุณเขาตลอดทางตรงกันข้ามเนี่ยไปจําอะไรที่มันไปจําแต่อดีตไปจําแต่อนาคตทําไมไม่ไจําปัจจุบันบ้างอะจําเดี๋ยวเนี้ย น, นี่อานิสงส์อีกอันหนึ่งของการฝึกรู้สึกตัว <c ười> คือคุณจะหมดภาระเรื่องอดีตหมดภาระเรื่องอดีตหมดภาระเรื่องอนาคตถ้าคุณจำเฉพาะเรื่องขานานีคุณจะสบายใจแล้วความคิดของคุณจะน้อยลงความคิดจะน้อยลงเลยแล้วคุณจะได้รู้เรื่องจริงๆของคุณจำจารู้สึกไว้จำภาวะรู้เกิดรู้ดับเอาไว้ แล้วก็จำํำภาวะปัจจุบันเอาไว้นะอย่าไปจําความคิดหลากหลายเพแบะนั้นจําไปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรฟุ้งซ่านไปกับมันเฉยๆเหนื่อยเปล่าเสียเวลาสังขารคืออะไรมันปรุงแต่งมันตลอด24ชั่วโมงกันแหละสังขารคือปรุงแต่งเนี่ยเสียงจิงหรีดมันปรุงแต่งหมจิ้งหรีดมันปรุงแต่งเนี่ยจิตเจิรีดมันปรุงแต่งนะ ที่มันต้องร้องนี่เพราะว่ามันมีเหตุของมันมันจึงร้องตุก birthday, ic, ๊กแกมันจะร้องมีเหตุไหมน่ะตุ๊กแกมันปรุงแต่งเพราะมันมีเหตุขอมันจริงจบมันจะร้องกันมันมันมีเหตุปรุงแต่งมันจึงจึงสร้างสังขารขึ้นมาจึงเปล่งเสียงหมามันจะเห่าแต่มันมีเหตุมั้ยนกมันจะร้องมีเหตุมั้ยนั่นแหะพวกนั้นอ่ะมันมีเหตุปรุงแต่งก็มันเอ้าเนี่ยนี่คือเหตุปรุงแต่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยอย่างกล้วยเนี่ย มันมีกลิ่นกล้วยมันกลิ่นย네ังไงอะมันปรุงแต่งมันมาไหมรสของกล้วยมันปรุงแต่งมั น, มนไหมธรรมชาติมันปรุงแต่งกับมันอยู่ตลอดแล้วแหละคุณไม่ต้องไปทําอะไรไหรอกแต่เราดันไปปรุงแต่งซ้อนนี่สิเลยบ้ามันปรุงแต่งกับมันอยู่แล้วอ่ะขมรสขมมันก็ปรุงแต่งกับมันอยู่แล้วรสหวานมันก็ปรุงแต่งกับมันอยู่แล้วแล้วเราไปปรุงแต่งชอบใจไม่ชอบใจขึ้นมาอีกอ่ะนั่นแหละไอ้ตัวปรุงแต่งที่ ไม่ชอบใจกับมันทําไมไม่ไปชอบใจกับมันทําไมมันก็เป็นให้มันอยู่อย่างนั้นน่ะมันบอกไหมว่ามันชอบใจแล้วมันมันจะเปลี่ยนแปลงมันเราชอบใจใช่สมมติเราชอบรถกล้วยรถกล้วยเราจะเปลี่ยนแปลงไหมมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะแล้วจะไปชอบมันเสียเวลาทําไมเน่ยเอาไปชอบรสขมไม่ชอบรสขมแล้วกินกี่ทีกี่ทีมันก็ขมอยู่นั่นแหละเออถ้าไม่ชอบรสขมนะปรุงแต่งให้มันหวานได้อ่ะมันจะเป็นไปได้ไหมบอลงเพชรยังไงว่าสังข์ขมอยู่นั่นแหละ ฟาทะลายโจยังไงก็ต้อขมอยู่นะแล้วไปปรุงแต่งไม่ชอบใจกับมันทําไมเนี่ยไอ้นี่แหละไอตัวปรุงแต่งที่ยุ่งที่สุดตัวพอใจไม่พอใจเนี่ยเนี่ยไปปรุงแต่งขึ้นมาเฉยเฉยแล้วก็ทําอะไรไปได้ด้วยก็ทําได้ปรุงแต่งมาทําได้ไปเปลี่ยนรสมัน <c oughs> ไปเปลี่ยนบรสเฟสจากขมให้เป็นหวานได้ไหมอ้ำตาลไปเชื่อมเข้าไปอ่ะ อะไรต่างๆนั่นแหละนั่นแหละเลยมันเลยวุ่นวายทุกวันเนี้ยนี่แหละประมาณนั้นแหละพอไม่ชอบใจก็ปรุงแต่งพอชอบใจก็ปรุงแต่งพอชอบใจก็ปรุงแต่งยังไงเข้าไปแทรกแซงอยากให้มานความชอบใจมีเยอะๆพอไม่ชอบใจก็ปรุงแต่งนี่นี่ก็สังขารคือธรรมชาติมันปรุงแต่งความคิดมันก็ปรุงแต่งเข้ามาอยู่แล้วมันต้องมีชีวิตมันต้องมีความคิดอารมณ์มันก็ต้องมีเมื่อมี มันปรุงแต่งก็ม่ไมีมันปรุงแต่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้ามามันก็ต้องปรุงแต่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์เข้ามานี่คือก็ธรรมาชาติมันปรุงแต่งกันมาอยู่แล้วแล้วมันก็เกิดก็ดับแค่นี้ยากอะไรเนี่ยซื่อหัวยังยากกวา่าต้องรุ้นว่าถูกหรือไม่ถู ก, ถ ก, ถ ก, ถกอันนี้ไม่ยากกันเลยเนี่ยมันก็เจอเจออยู่แล้วน่ยหังขานวิญญาณก็รู้ไงรู้ไงอยู่กับภาวะรู้ ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งรู้มันไปโดยเฉพาะยังยิ่งฝึกรู้สภาวะตรงนี้นะฉันอั น, นิสงสงที่เราเราจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยหรู้ทุกข์รู้ละทุกข์เพิ่มขึ้นนะสองอ น, นิสงสงคือได้รู้ได้รู้3อั น, นิสงสงอันที่3ามคืออยู่กับขณะนี้เป็นอยู่กับขณะนี้เป็นนะ มันจะนพออยู่กับคันนี้นเป็นปุ๊บเนี่ยมันจะละเรื่องอดีตอนาคตเรื่องความวุ่นไวายได้พักหนึ่งแล้วก็อันที่สี่คือมันรู้จักวิธีแยกเป็นแยกออกมาเป็นนี่แยกจากความทุกข์ได้เป็ น, นถ้าเราไม่มีตรงนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนี้เพราะเราจะมีตัวตัวฝ่ายลบเป็นตัว ตัวเลี้ยงตัวเราอยู่เช่นเราเกิดมาปุ๊บเราไม่รู้เราก็อยู่กับไม่รู้เราอยู่กับทุกเราก็เป็นทุกใช่ไหมเราอยู่กับปัจจุบันเราก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ปัจจุบันเลยไปอยู่แต่อดีตอนาคตน้อยสัมผัสได้น้อยเนี่ยแล้วเ ร, เราก็ไม่สามารถแยกอะไรของชีวิตออกมาได้รู้จักอะไรชีวิตไหม <laughs> นี่แหละที่นั่งอยู่เนี่ยมีแต่อะไรของชีวิตทั้งนั้นแหละ มันจะมีองค์ประกอบของมันมีอาการของมันมีชิ้นส่วนของมันแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเลยมันเป็นอะไรของชีวิตเรารวมเอาไว้เป็นอันเดียวกันเลยแต่ถ้าเรารู้ไปมากเข้ามาเข้าเราจะรู้จักกุญชีแยกอะไรชีวิตแล้วมันจะไม่มีชีวิตแต่ก็อาศัยชีวิต <c oughs> นะนจะรู้จักแยกรู้จักแยกนะแล้วต่อมาก็จะเป็นการรู้จักอยู่จากอยู่กับทุกข์ไม่เป็นทุกข์บ้าง อยู่ทุกข์แต่อยู่เหนือทุกข์บ้านนะมันจะมีอีกเยอะแยะมากมายเยอะแยะแต่เอาแค่นี้พออ น, นิสงส์แค่เห็นทุกข์เพิ่มขึ้นกับรู้มากขึ้นเนี่ยเอาแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวมันจะไปเองมันไปเองมันแล้วอา น, นิสงส์ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าต้องรอวันโ น, น้นวันนี้วันนั้นนะแค่เบื้องต้นนะที่เราทําปั๊บเนี่ยเราได้อา น, นิสงส์แล้วใช่ไหมหนึ่ง เราได้ครั้งแรกเลยเราไม่เคยรู้ตัวเองเลยพอมาทําปุ๊บเราได้รู้ตัวเองเนี่ยอันนี้สงบนเบื้องต้นเนี่ยเราได้ทันทีแล้วเราได้รู้ตัวเองแล้วทีนี้วิธีการจัดการกับกับเรานี่ จ, จัดการยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่เนี่ยเมื่อก่อนเราอยู่เนี่ยเราอ ย, าอยู่เราใช้ชีวิตเราไม่รู้ตัวเองใช่ไหมไม่รู้อยู่มาเถียงนะว่ารู้อยู่วะเราไม่รู้ตัวเองอะ่ะ เดี๋ยเราเริ่มรู้ตัวเองว่าฉันทุกข์เพิ่มขึ้นนะทําไมฉันทุกข์มากทำไมฉันทุกข์ลึกเกินทําไมมันวุ่นวายทำไมฉันมันคิดเนี่ยเขาเนี่ยทำไมฉันเสือตัวเองบ่อยๆเขาเนี่ยเนี่ยเราเริ่มแล้เราได้อานิสงส์ในการเริ่มรู้ตัวเองและอนิสงส์รู้ตัวเองเนี่ยเป็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่รอนะอนิสงส์มันจะมีปัศจากการเวลาเหมือนกันเป็นอาการดีโกไม่ใช่ว่าจะต้องรอก่อนรอก่อนรอก่อนแม่มันมันมันม่มีการมีเวลา ทำเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้เลยคิดว่าเอธรรมะของพระเจ้านี่มันให้ผลเร็วจริงๆนะให้เดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องไปรอชาติหน้าละเนี่ยเพราะรู้เดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้เลยนั้นพระเจ้าทว่าทำทำทั้งหลายเนี่ยเป็นอาการกอัวไม่มีการไม่มีเวลาฉะนั้นอา น, นิสงส์มันก็ไม่มีการไม่มีเวลามันจะได้ตลอด ถ, ถ้าเราทำนะถ้าเราทำนะ ถ้าเราไม่ทำเราก็หลงไปตลอดเนะ่หลงไปเถอะหลงไปจนตายแหละ <c oughs>